ขอความสุขความเจริญจต่อท่านผู้ฟังทั้งหลายเถียงธรรมจากมหาวิทายาลัยศรีปทุมในวันนี้คงเป็นพระสูตรในอุทานเช่นเดิมคืออุโบสถตสูตรเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยการลงอุโบสถของพระ มีข้อความว่าเมื่อพระเจ้าเสด็จรดประทับอยู่ที่บุพารามอันเป็นวัดที่นางวิสาขามาอุบาสิกาสร้างถวายที่กรุงสาวัตถีพอดีวันนั้นก็เป็นวันบุษตรเมื่อสีร่วงปฐมยามไปแล้วท่านพระานุนธีระก็ ได้ทำระห่มเสวียงบ่าประนมมือไปทางที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ได้กราบทูลพระผู้มีพภาคว่าปฐมพยายามสิ้นไปแล้วภิกษุนั่งอยู่นานแล้วขอพระผู้มีรภาคทรงแสดงปฏิโมกข์แก่ภิกษุทั้งหลายเถอ พระนรนกับทูลอย่างนี้ในมัชชิมยามจนถึงปัจฉิมยามแต่ว่าพอถึงปัจฉิมยามเนี่ยใกล้รุ่งแล้วนะพระนรนท่านก็กลับทูลว่าก้าแต่พระองค์ผู้เจริญราสีร่วงไปแล้วปัจฉิมยามสิ้นไปแล้วอรุณขึ้นไปแล้วดวนสว่างแล้ว ภิสูุนั่งอยู่นานแล้วขอพระผู้มีระภาคทรงแสดงปฏิโมกแก่พิกษุนทั้งหลายเถิดเออคือการทำปฏิโมกเนี่ยตามปกติแล้วก็จะมักจะทำกันตอนเย็นหรือตอนค่ำนะก็แล้วแต่วัดที่ท่านจะตั้งเป็นกฎเกณฑ์ขึ้นเพราะว่า วันปฏิโมงนี่จะมีกิจกรรมในช่วงเช้ากับในช่วงบ่ายอย่างในวัดวรในเวทวิหารเนี่ยในช่วงบ่ายก็จะมีเทศตอนตอนบ่ายสามโมงนะฮะสามโมงหรือสามโมงครึ่งเนี่ยแต่ถ้าวันแปดค่ำก็อาจจะเทศบ่ายโมงด้วย ันปฏิโมกที่วัดประวณจึงเริ่มชี่ตอนบ่ายโมงถึงโดยจริงๆแล้วไม่ค่อยจะคล่องตัวนะฮะควรจะไปอยู่สักห้าโมงเย็นคือถ้าไปทำกลางคืนก็ไม่ไดีอีกอะเบืองไฟแล้วก็เสียเวลาเวนนี้ยังนึกอยู่นะฮะว่าการทำวัดเช้าเย็นเนี่ยมันน่าจะใช้ทำวัดเช้าเย็น คือไม่น่าจะทําวัดเช้าวคัมพอทําวัดคัมเนี่ยมันเปลืองไฟเยอะนะฮะที่จริงพระก็คงเมื่อกี้เรื่องเหล่านี้แต่เราคิดกันแล้วก็ว่าโบสถ์หรือศาลากา ร, รเรียนที่ใช้ทำวัดนี่เปิดไฟสว่างมา ก, กนนะแล้วก็ใช้เวลาก็เรียกว่ารวมๆชั่วโมงหรือถึงชั่วโมง ก็เปลืองข้าไฟไปเยอะเราไม่ได้คิดในแง่ประหยัดตรงนี้หรือแม้แต่การสวดศพก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือได้จะสวดตอนห้าโมงหมายความบางคนก็เลิก ง, งานตอนสี่โมงหรือสี่โมงครึ่งถอดเสร็จหกโมง ก, ก็ได้กลับบ้านกันไฟก็ไม่ต้องใช้ปริจินเปลืองมาก เพอนนี้ถ้าเรามองในแนวว่ายุคน้ำมันแพงเนี่ยคือมาคิดกันเนี่ยเรื่องอะไรที่มันเคยทำกลางคืนเนี่ยก็มนเปลี่ยนกลางวันโดยเฉพาะกิจกรรมทางศาสนาเนี่ยจะมีเยอะที่ไม่จำเป็นอะไรเลยจะต้องไปทำกลางคืนแต่เราก็ไปยึดติดอะยุติตจะรีดแบบแผนกันจวมาทำในกลางวันตอนนี้แสดงให้เห็นว่า เป็นการทำปาฏิโมกตอนหัวคำ่ำแล้วก็น่าจะคือทาตอนอาจจะทาตอนเย็นนะนะเพราะวา่าตอนพระนุนไปกราบทูนเนี่ยคือแสดงว่าปฐมยามมันผ่านไปแล้วก็อาจจะเริ่มที่ปฐมยามก็ตอนหัวคำ่ำก็ตามปกติแล้วพระพุทธเจ้าจะส่งแสดงปาฏิโมกคือในสมัยก่อนเนี่ยมัน ไม่ใช่สวดอย่างสมัยนี้เข้าใจว่าไม่ได้สวดอย่างสมัยนี้แต่ถ้าเราดูถึงเหตุการณ์นะเอการา์เพราะว่าเป็นการสร้างบุพารามแล้วสร้างบุพารามเนี่ยมันเป็นลุกที่นางวิสาขาแต่งงานมีลูกแล้วก็ ไปเฝ้าพระพุทธเจ้านะฮะปฐมไม่เหตุที่สร้างมุปารามเนี่ยเกิดขึ้นจากนางวิสาขาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็น่าจะไปที่งานอะไรมาสักแข่งหนึ่งก่อนเพราะไปใส่เครื่องประดับระดามหาปราสาทราคาตั้งยี่สิบเจดโกรดก็มีคนที่สวมได้อยู่สองคนนั้นเองคือนางวิสาขากับ รู้สึกจะเป็นพระนางมาริกามาริกาที่เป็นมเหสีช า, าของพันธุละเสนาบดีเนี่ยเป็นผลบุญกุศลซึ่งเกิดขึ้นแก่ผู้หญิงที่เคยถวยายใรจีวรแก่พระภายในชาติก่อนก็เป็นเนตรได้เครื่องประดับระดามหาประสาสก็ฟังเทศแล้วก็ปรากฏว่า ถเสื้อคลุมกับเสื้อเครื่องประดับประดาหมาปา่าศาสเตมคล้ายๆกับผ้าคลุมอ่ะก็ใหญ่ประดับประดาหรูราแล้วก็นางทาสีที่ถือได้ก็มีอยู่คนเดียวแต่นั้นเองคนอื่นถือไม่ไหวมันหนักแต่พอพอเติบไปฟังเทศนานก็ถือไม่ไหวเหมือนกันก็ไปแขวนเอาไว้แล้วตอนกลับนี่ลืม ไปบอกนางวิสาขาก็บอกให้ไปเอามาคืนแต่ว่าถ้าพระนุนเก็บไว้เนี่ยอย่าเอาปรากฏว่าพระนนท่านเก็บไว้ไอ้ น, นีเน้เป็นเรื่องวินัยนะฮะวินัยกำหนดเอาไว้ว่าถ้าชาวบ้านมาลืมทรัพย์สินเงินทองไว้ภายในวัดเนี่ยให้พระเก็บไว้เก็บไปให้คืนเจ้าของแม้จะเป็นของที่พระจับไม่ได้ก็จับได้ตรงนั้นน่ ถ้าไม่มีเด็กนะะถ้ามีเด็กก็คงจะเรียกเด็กให้จับเพราะเราก็ไม่ได้จับในฐานะที่เป็นของเราแต่ว่าเป็นการรักษาวัดของมหายายในวัดนี่เสียชื่อมากนะแต่เวลานี้เราก็แก้ไขา ย, ยากตัวขนาดพระรองเท้าพระนี่ยังหายเลยโจรเยอะแป็นนัวิสาขา พอรู้ว่าพระอานนท์นั้นจับต้องแล้วก็เลยก็แมวก็ถวายตีนี้วถวายพระก็ไม่ไ้จะทำอะไรก็เธอก็เลยก็ประกาศขายประกาศขายก่อนเพื่อเงินมาซื้อของถวายพระแต่ไม่มีคนซื้อแต่แล้วนางก็ซื้อเองซื้อเองมาทั้งย7สิบเจดโกดเลยก็สร้างเป็นพระอารามเป็นเรียกว่าบุพาราม ราคายี่สิบเจ็ดโกดนะฮะนึกดูสร้างวัดสมัยนั้นยี่สิเจ็ดโกดก็ถลายละโกดหนึงก็สิบล้านนะฮนะสองร้อยเจ็ดสิบล้านนะาไม่ใช่ธรรมดาวัดว่าละมันก็ใหญ่โตกันมาตั้งแต่โบราณนะเนะี่ยมันเป็นสมบัติของพระศาสนาคือบางทีคนแบบนี้นึกจะพูดอะไรก็พูดเลยวัดใหญ่ๆโบดใหญ่ๆมันเป็นสมบัติของพระศาสนาเป็นสมบัติของแผ่นดิน นะาศาสนสถานกละ ส, สถานที่ราชการพวกวังพวกอะไรนี่ไม่แปลกอะไรหรอกมันเป็นสมบัติเป็นมรดกของชาติที่ในโอกาสต่อไปก็ดูดเงินตราเข้าประเทศได้เยอะนะฮะเช่นบทพระแก้วอย่างเงี้ยเจะเห็นว่าก็วันหนึ่งวันหนึ่งก็ได้เงินเยอะคนมาดูกันคือแสดงเหตุการณ์ในกัณ น, นนะ์น่นมาค่คนอนตอนกลางพุทธสมัยไปแล้ว เพราะว่าตอนนั้นพระนรดเป็นอุปถากแล้วแล้วแต่ว่าพระโมคคัลลานะยังอยู่ก็แสดงว่าคงไม่ปลายทีเดียวคงไม่ปลายทีเดียวแต่ตอนนั้นก็อยู่ที่สาวัตถีที่น่าสังเกตก็คือว่าแสดงว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่นะัที่หนึ่งแล้วพระนรดก็ไป ทำประหมเฉียงบาตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่น่าคิดว่าการห่มจีวรของพระในสมัยนั้นว่าทำพระหมเฉียงบาขั้งหนึ่งแล้วก็ประนมอัญชลีไปทางที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับดูได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคแต่เป็นเรื่องน่าสังเกตนะฮะว่าทูลดังขนาดไหนล่ะ ก็แสดงว่าเป็นการรู้กันอยู่อยู่ในตรงนั้นว่ากราบทูนยังไงพระเจ้าก็ได้ยินนะี่นะคือในทิศที่พระเจ้าไม่ได้ประทับก็แสดงไม่ได้อยู่ที่นั้นองค์จะอยู่ที่ประคันตะกดีแต่ประนบนก็ไม่ได้ไปเฝ้าที่ประคันตะกดีเปนในกราบทูนอย่างนี้พอมาถึงครั้งปัตฉิมยามคือตอนตะวันเริ่มขึ้นแล้วนะทอแสงอรุณขึ้นมาแล้วเนี่ย พระก็ทนดีนะฮะเราลองดูถึงว่าไม่มีใครขยับขยี้นไปไหนพระเจ้าไม่เสด็จลงก็ต่างคนก็นั่งนั่งรอคอยอย่างนั้นไม่มีปฏิกิริยาอะไรเป็นพุทธานุภาพเป็นความยิ่งใหญ่เป็นความสวยงามหน้าน่าทึ่งนะฮะทั้งคืนเราลองนึกดูว่าพระนั่งอยู่ได้ทั้งคืนเนี่ย โดยรอคอยพระพุทธเจ้าเสด็จไม่มีใครมีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าพระนลซึ่งหน้าที่เป็นพุทุอุปถากก็ต้องกราบทูลแล้วก็ไม่ได้กราบทูลบ่อยๆหรือกราบทูลคราวหนึ่งก็เรียกว่าตอนหู ข, ข่ํำแล้วตอนเที่ยงคืนแล้วก็ตอนนอนตอนรุ่งพระเจ้ารับสั่งพระพระนลว่า อนุนบริษัทยังไม่บริสุทธิ์ประโยคเดียนะสันส้นๆอันนี้ก็เป็นเป็นกฎเกณฑ์อย่างหนึ่งว่าการทําปฏิโมกเนี่ยพระจะต้องผ่านการแสดงอับัตซะก่อนไปทำตัวบริสุทธิ์จากอับบัตซะก่อนเพราะว่าคือไม่แสดงอับบัตแล้วเข้าไปฟังปฏิโมกเนี่ยท่านึกออกตรงนั้นก็ต้องให้เขาหยุดไม่แสดงอับั ต, ตถ้าท่านึกไม่ออกแล้วก็ นั่งทำปฏิโมกไปเลยท่านปรับอบัตทุกกฎนะฮะว่าคือคือการเข้าไปนั่งเนี่ยหมายความเมื่อเราประกาศวม่เราบริสุทธิ์แล้วทีนี้ในในในปฏิโมกตอนต้นเนี่ยจะมีการถามถามด้วยภาษาบาลีนะฮะพระเองก็ต้องรู้ถ้าไม่รู้ก็ต้องอ่านภาษาไทยมาแล้วท่านนึกออก ก็แสดงทีนี้ถ้าอํบาบัติยังติดตัวคือนั่งอยู่แล้วก็ทําประกาศโดมผู้บริสุทธิ์ที่ท่านป ร, ปรบาบอาบัติทุกข์ก็พูดเฉพาะอํบาบัติที่พ้นได้โดยการแสดงตางบัตย่างอื่นที่นบาตสังกฤติเศษอย่างเงี้ยก็ต้องไปอยู่กรรมทํากรรมวิธีอํบาบัตประราชิกก็เลิกพูดกันไป นะอ่ะพท่านก็ต้องศึกไปอย่างเดียวต้องจริงก็สละเพศกนสปณะเรี๋ะจะถือว่าศึกไม่ได้นะเพราะว่าท่านหมดจากหมดสภาพความเป็นพระไปแล้วพระโมคคัลลานะก็ดำริพระผุ้ธจะารับสั่งว่าอา น, นณนบริษัทยังไม่บริสุทธิ์เปหมายถึงใครถ้ก่ก็กำหนดใจด้ใจนะฮะอันนี้คือพระอาราหันต์นะท่านรู้ว่าใครคิดยังไงใครมีสถานะเป็นยังไง พระหาน จ, จึงที่จริงแล้วถ้าคนไม่บริสุทธิ์เนี่ยไป น, นั่งกล้พระหานน่ากลัวนะฮะคือท่านรู้ว่าเราคิดอะไรจิตใจเราเป็นยังไงสภาวะเราเป็นยังไงสถานะเราเป็นยังไงนี่ท่านรู้แต่ว่าท่านมีกรุณาทํานไม่พูดหรอกก็เป็นเรื่องของกฎ น, นั่นเองจะช่วยดีที่ห่างยังไงก็เป็นเรื่องของเขาเองก็ในที่สุดก็กําหนดก็รู้ ก็เห็นภิกษุรูปหนึ่งที่ขาดจากความเป็นภิกษุไปแล้วหมายความมันต้องอบัตปราชิกไปแล้วแต่ทั้งก็ไม่บอกว่าเรื่องอะไรนะก็กลายเป็นผู้ที่เรียกว่าทุศีนมีศีนชั่วมีศีนไม่ดีมีธรรมลา ม, มกก็มีการกระทำที่เป็นบาปแล้วก็ปกปิดไว้ มีความประพฤติไม่สะอาดน่ารังเกียจแล้วก็มีการงานปกปิดคือมีโทษมีความชั่วความผิดที่ปกปิดแต่ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือไม่เป็นสมณะปฏิยานว่าเป็นสมณะตรงนี้เป็นประโยคที่สำคัญนะคือความเป็นสมณะหรือสามเณรนะสามเณรก็หมายถึงภิกษุณีสมณะก็หมายถึงภิกษุเนี่ย คืนในพระบาลีเนี่ยท่านบอกท่านนิยามเลยนะที่ชื่อว่าภิกษุณีเพราะเป็นผู้ที่สงพร้อมเพียงขึ้นพร้อมเพียงการยกขึ้นเป็นภิกษุณีโดยชอบด้วยยติเจตุถกกรรมภิกษุณีสงนะฮะภิกษุณีสงพร้อมเพียงการยกขึ้นเป็นภิกษุณีสงด้วยยติเจตุถกกรรม อ, อุปปสัมปทานไม่กำเริบนะได้ชื่อว่าภิกษุณี นะแต่ว่าพอดีเนี่ยภิกษุณีเขากำหนดเป็นเป็นสงฆ์สองข่ายก็ได้อุปตูสง์พร้อมเพียงกันยกขึ้นเป็นภิกษุณีสงฆ์โดยชอบด้วยยติจจตุตกรรมอุปสมบทานไม่กําเริบพระนั้นไดนกิยามว่าที่ชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ที่สงฆ์พร้อมเพียงการยกขึ้นเป็นภิกษุโดยชอบด้วยยติจตุตกรรมอุปสมบทานไม่กําเริบเหมือนกัน เหตุที่ที่ที่มีการเสนออะไรอ่ะผสวคนหนึ่งที่เกิบุญไม่หยุดไอ้คนนี้เรียกร้องสารพัดเลยฮะแล้วก็ด่าทอคณะสงฆ์ด้วยคือถ้าบวชก็ไม่เป็นเนี่ยไม่เป็นสามมณีนะไม่เป็นสามมณีโดยชอบโดยพระวินัยทายังไงก็ไม่เป็นนะฮะและแต่ปฏิญาณตนเป็นสามมณีปฏิญาณตนเป็นสามมณีก็เป็นอะไรล่ะ ก็หมายความว่าเป็นผู้ทุศีนมีธรรมอันละมกะความประพฤติไม่สะอาดน่ารังเกียจมีการงานปกปิดไม่เป็นพรหมจรีปฏิยานตนว่าเป็นพรหมจรีท่านเรียกว่าเป็นผู้น่าในนะผู้อันราคะรั่วรดแล้วผู้เป็นดุดอยากเยื่อคือแสดงว่าพระรูปนี้คงต้องประราชิชข้อแรกคือมีเพศสัมพันธ์ เสไในถุนกับใครก็ไม่รู้นะฮะแต่ถดูแล้วนะี่ก็ดูน่าจะเป็นจะเป็นปฐมประราชิกคือปฐมประราชิกเนี่ยเป็นอาบัตที่ถ้าพระไม่เข้มแข็งจริงๆเนี่ยยากนะเพราะงั้นวินัยเนี่ยจึงป้องกันไมสารพัดป้องกันไมสารพัดเพื่อไม่ให้พระไปใกล้ชิดกับเพศ ต, ตรงกันข้ามพิสุณียิ่งแล้วใหญ่นะิุณียิ่งแล้วใหญ่ แต่ก็อย่างที่บอกว่าพอยุคสมัยโลกมันเปลี่ยนเนี่ยก็โลกกระทัดของสังคมมันเปลี่ยนเป็นสิทธิ์ที่เสมอภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือว่าธรรมดวันตกเนี่ยมันเข้ามาเนี่ยคือทำให้การปฏิบัติของพระบางครั้งบางคราวเนี่ยโยมผู้หญิงบางคนนที่กไม่ยอมรับอ่ะนะคือคล้ายๆกับว่าพระไปดูหมินแก อ้งว่าจะเคยโดนต่อว่าทิ้งตอนไปสหรัฐอเมริกาเมื่อพศ .2533 โยมกาจะรย์นำเที่ยวอาส า, ศานำเที่ยวจะขับรถนำเที่ยวให้เราก็ไปเศษนะฮะไปเสดไปก็บอกว่าอย่ารบ ก, กวนโยมเลยก็ประเดี๋ยวจะลำบากแล้วเราก็ไม่ค่อยใส่ใจที่จะไปตรงนั้นนะเพราะเราไปเผยแผ่ศาสนา แกก็ถามมาเป็นไงรังเกียจอ่ะแต่ฉันไม่ได้เป็นโรคเรื้อนนะโอ้ไปกันใหญ่เลยต้องอธิบายกันเยอะเลยแล้วต้องพระต้งช่วยกันอนธิบายทั้งหลายองค์นะฮะแกจึงยอมเข้าใจะนะโอ้พูดยากมากวันถ้าไปผู้ที่อเมริกาอะไรครันงครงยากคือวเวลรไปเนี่ยบางทีเราก็ก็จําเป็นนะนะคือโยมเขาเขาศรัทธาแต่วิธีคิดของเขาเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งอ่ะก็ขอถ่ายรูปร่วม เราต้องนั่งตัวนิ่งโยมก็ดืนล้อมหน้าล้อมหลังก็มาดังข้างหน้าล้อมข้างหลังนะฮะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดนานบางทีก็หลายชุดซึ่งก็เขาถือว่าเป็นเป็นเป็นการกระทำที่ดีแต่เราแล้วก็คือมองที่จริงก็รู้กันนะฮะว่าการถ่ายภาพเนี่ยพระก็ไม่ได้อยู่กับผู้หญิงหรอกมันก็มีคนถ่ายอยู่ด้วย ในภาพที่ไม่ไม่สวยงามโดยเฉพาะอย่างในกรุงเทพเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยแต่เช่นสมมติว่าเราจะไปออกรายการโทรทัศน์ยมผู้หญิงเคยนิบนไปออกรายการโทรทัศน์นะเขาจะเป็นพิธีกรเน่เราก็ไม่กล้าไปหรือทั้งทั้งที่มีคนเยอะนะฮะจริงๆในในห้องส่งโทรทัศน์เนี่ยมีคนเยอะแต่้าพที่มันออกมันออกเค่เพะเรากับพิธีกร เราก็รู้สึกว่าออมันไม่ค่อยคุ้มอะไรปัญหาปัญหาคือคนที่คอยจับผิดมันเยอะๆปัญเรื่องเรื่องเหล่านี้ท่านจริงสอนให้ระมัดระวังไว้ก่อนปัญหาปัญหาคือชาวบ้านเนี่ยคือชาวพุทธเราในชอบชอบเกณฑ์คนอื่นให้เคร่ง แต่รายการนี้ที่วันที่มามาตอบปัญหาคือบางปัญหาเลยเนนโยโมนีนแหมเขาเคร่งนักเองนะฮะแต่เกลี้ยกราอคือถามปัญหาเกลี้ยกราอเช่นว่าพระยัตถาให้พรกับโยมที่ก็ตักบาตรเนี่ยคือมันเป็นเจตนาดีของพระแล้วก็โยโมก็ต้องการอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมของท้องถิน่น พระกว่าทางยืนในที่ที่มันสูงเจกะกระแลกานก็สามารถทําได้คือวินัยในเขาห้ามห้ามแสดงธรรมแก่คนซึ่งไม่เป็นไข่ถึงสวมรองเท้าซึ่งอะไรต่อะไรนี่นะต่างๆก็ว่าไว้เราก็ดูอย่าใจผิดวินัยอะไรกันคือยืนในที่สูงเสียก็ทําได้คือบางเรื่องนี่เราไปแก้ไม่ได้หรอก มันเป็นเรื่องที่เรียกว่าต้องอนุวัตตามไปปัญหาก็ค่อยแก้กันทีหลังนะเช่นอะไรล้ะเวลนี้ก็เรียกว่าสังฆทานข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยเป็นประเพณีที่เราหยุดมาอยู่พระก็รับไปแล้วก็ผลวงธุท่าก็ไปแจกจ่ายในคนที่ยากจนในที่ต่างๆก็ไปก็ตัวเองอย่าฉันเท่า น, นั้นเองเนี่ยถ้ตัวเองไม่ฉันก็จบละ มีวิธีแก้มีทางออกไงเพื่อนพระมคคัลลาณะจึงลุกขึ้นจากอาสนะแล้วก็ไปหาท่านกล่าวว่าบุคคล น, นั้นนะะกล่าวหาบุคคล น, นั้นคือไม่เรียกว่าภิกษุรูปนั้นแต่เข้าหาบุคคลผู้นั้นแล้วก็เตือนบอกว่าลุกขึ้นเถิดผู้มีอายุพระผู้มีภาะเพข็นท่านแล้วท่านมีธรรมเป็นเครื่องอยู่ร่วมกับภิกษุทั้งหลาย เธอก็นิ่งไงครั้งที่สองเตือนครั้งที่สองก็นิ่งพอครั้งที่สามพระโมกขลานาคก็จับแขนก็ชากออกไปจักจากโบสถ์เตรงนี้ก็ยังยังนึกถึงว่าโอ้ไม่ชี้เล่นนะมันจะเล่นแต่งการกระทาอย่างนี้คือคือค่อนข้างเสียงอข้างเสียงแต่ว่าบางทีก็ต้องทํา คือพอมันนึกถึงพระสูตรตัวนี้ก็นึกถึงสมเด็จพระพุทธชินวงศ์อดีตจ้าวาดประเบนจะมะพุทธเนีตอนนั้นท่านเป็นอิรันยบัตแล้วก็เราไม่งานศพสมเด็จพระสังฆาราชรู้สึกวัดมะกุูดเน่ย น, นะฮะงานศพสมเด็จพระสังฆราชวัดมะกุูดที่วัดเทพศรี มันก็มีตัวแทนสมเด็จพระสังฆราชลาวสมเดสังราชเขมรแล้วก็ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชของไทยมีเก้าอี้ไปวางไว้สามตัวพอดีมีลงตารูปหนึ่งอ่ะมาจากไหนก็ไม่รวกมันถึงนั่งเลย แล้วก็มองกันเอ้นี่ไม่น่าจะเป็นสังฆราชนะดูผู้ร่างหน้าตาไม่น่าจะเป็นนังฆราชก็สงสัยก็ให้เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาก็ไปถามตอนนั้นได้ยังไงมายัางเป็นป ร, ริญญาณนะแล้วกลับจากอินเดียมาแล้วก็ผู้ใหญ่เขาก็เรียกไปนั่งใกล้ๆกันที่เจ้าคณะภาคเพื่อจะได้คุยกันก็เลยก็เป็นผู้น้อยแต่ไป น, นั่งใกล้เป็นเห็นเหตุการณ์พอดี ก็ให้เจ้าหน้าที่กรงการนาไปถามก็ทราบว่าเป็นหลวงตามาจากต่างจังหวัดแล้วก็บอกเจ้าหน้าที่บอกไปเตือนท่านให้ไปนั่งที่อื่นอย่านั่งตรงนั้นไปที่สังการานท่านไม่ยอมนะฮะให้ไปเตือนแล้วก็ไม่ยอมทศยุุลเนี่ยพุทธจิตนวงเนี่ยสมเด็จพุทธจิตนาวงเนี่ยตอนนั้นเป็นนิรัญดรบารมีลุกขึ้นไปถึงก็เตือนไม่ไม่ยอมลูกก็ะชากแหละ แกมาตกใจว่ากลัวแกจะส่งเสียงโวยวายอ่ะยากโยมอยู่เยอะมากกว่านั้นเดี๋วก็ดีอ่ะป้าเนตรกาลตอนั้นพอดีก็ทําให้นึกว่าเออไอเรื่องบัญชีเนี่ยมันต้องต้องใช้วิธีการอย่างนี้มือนกันมันสุดวิสัยอะ่ะเพราะว่าชาวบ้านไปนินมนต์แกไยอมทูกแล้วแล้วก็ไม่รู้จะให้ใครทํำยังไงแล้วเออก็ทึกก็ไม่ได้นะ่ะคนก็อยู่กันเยอะ ก็ยังนึกพอพอท่านทำอย่างนั้นนึกถึงพระโมคคัลลานะทันทีเลยเออประโมคาาออโมคัลณานะก็เคยทำนะอย่างเงี้ยทีนี้เมื่อท่านทำเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็ไปชุดกระชากออกไปภายนอกซุ้มประตูแล้วก็ใส่กรอนปีประตู จากนั้นทานก็ออกจากโบสถ์ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับเราจะเห็นนะเห็นว่าตอนพระนุ์ถวายบังคมไปเนี่ถวายบังคมไปจากโรงอโมบสถแต่ว่าตอนพระพุกธกาลนะไปเฝ้านี่ไปเฝ้าถึงที่ประทับแล้วก็กราบทูลเรื่องทั้งปวงเนี่ยบอกว่าข้าพระองค์ให้บุคคลนั้นออกไปแล้ว บริษัทบริสุทธิ์แล้วพระผู้มีพรภาคทรงแสดงปฏิโมกข์แก่พิสุท์ทั้งหลายเถิดคือแสดงเห็นว่าพระพุทธเจ้าต้องทำนาที่แสดงธรรมะ แ, แสดงปาฏิโมกข์ในขณะนั้นเราจะเห็นว่าคล้ายๆกับโอวาทปฏิโมกข์เลยนะโอวาทปฏิโมกข์ก็ไม่ใช่วินัยแสดงอย่างไงก็ไม่น่าจะสาทยายพวกสิกขบทแต่ว่าแสดงธรรมะที่เป็นหลัก จะยาวหรือสั้นก็ไม่รู้อะอย่างโอวาทปฏิโมกเราเจะเห็นว่ากาแสดงครั้งเดียวก็สามคาถากึง่งวันคาว่าแสดงปฏิโมกในที่นี้เนี่ยหมายถึงอะไรเนี่ยก็ก็ไม่แน่ใจแต่สรุปว่าน่าจะเป็นการเทศนา็นการอบรมสั่งสอนธรรมะคือไปน่าจะไปสาธยายสิกขาบทอย่างที่เราสวดกันในปัจจุบันคือบางทีนี่เรา อธิบายอะไรเราก็ไม่ได้ถึงประวัติศาสตร์นะ่างในการไปรชุมพระอรหันต์พัสองรห้าสิบรูปที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงวัตติโมกเนี่ยในคำประกาศเนี่ยเราบอกว่าพระพุทธเจ้าทรงธรรมบริสุธทธิ์โโบสถที่จึงโบสดเป็นเรื่องเกิดทีหลังนะ เ, เรื่องเกิดทีหลังไม่ได้เกิดมาตั้งแต่ยุคแรกๆหรอก แต่ว่าท่านเอาเหตุการณ์ในช่วงหลังเนี่ยไปเขียนขึ้นลืมนึ่นไปว่ามันคนละเวลากันคนละยุคคนละสมัยกันก็มเมคโรโมกลานะกราบทูลอย่างนั้นพระเจ้าก็รับสั่งว่าโมฆลานะน่าอัศจร์นะโมขลานะไม่เคยมีมาแล้วโมฆะบุรุษนี้อยู่จนกระทั่งต้องจับแขนฉุดออกไป ก็จัดว่าบัดนี้ตั้งแต่นี้ไปเนี่ยเราจกไม่ทำอุโบสถแสดงปฏิโมกตั้งแต่นี้ไปเธอทั้งหลายนั่นแหละพึงกระทำอุโบสถแสดงปฏิโมกดุกอนวิสูตทั้งหลายการที่ตาถาคตจะพึงกระทำอุโบสถแสดงปฏิโมกในเมื่อบริษัทไม่บริสุทธิ์นั้นไม่ใช่ฐานะไม่ใช่อกาส ก็แสดงว่าตั้งแต่บัดนั้นมาพระพุทธเจ้าก็ไม่ร่วมปฏิโมกกับคณะสองฆ์อีกแต่ว่าเป็นภารกิจของสองฆ์นะฮะเป็นภารกิจของสองฆ์ที่จะต้องจัดจะต้องทำก็เคยมีปัญหาบางกันรู้สึกจะเป็นพระหมากัสปะคือมาความวาท่านบริสุทธิ์จนไม่รู้จะไปทำปฏิโมกข์ทำอะไรก็คิดจะขวนขวายน้อยคือไม่แสดงปฏิโมกไม่เข้าปฏิโมก พระเจ้าบอกไม่ได้คือต้องให้เป็นเนติแบบแผนของคนอื่นคือพระหารนี่ท่านเป็นต้นแบบอะต้นแบบไปคนอื่น ค, ค, คือท่านไม่มีเรื่องใดจะต้องชำระสาสางอะไรส่วนตัวท่านไม่มีอาบัติที่จะต้องแสดงอะไรอยู่เป็นบุคคลพิเศษที่รับการยกเวน้นด้วยสติวินัยอะคือหมายความว่าใครจะไปโจดไปทวงไปตั้งแง่ตั้งมุมกับพระหารนี่ไม่ได้คณะสงฆ์จะไปเสดไปเลยไม่รับฟัง แต่ยังนึกนะฮะยังนึกว่าเออถ้าเกิดเรื่องสมัยนี้คงยุ่งเหมืนอนกันนะเพราะคนสมัยนี้บางทีเนี่ยยังบาืก่อนดูข่าวพระเทระรูปหนึ่งก็อายุตั้งเจ็ดสิบแล้วนะถูกกล่าวหาเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันคือไปเอาตำรวจมาจาับแปลว่านักข่าวมาไปเอาตำรวจมาแปลาชาว บ, บ้านมา ไอ้มันทำอะไรกันตำรวจมีสิทธิที่อะไรไปจับพระสมมติว่าจริงเนี่ยไม่มีสิทธิ์จับนะฮะคืออย่าลืมว่าอาบัตินี้เป็นอาบัติของพระโดยเฉพาะเออถ้าพระไปฆ่าคนตายถ้าพระไปลักทรัพย์เออมันไปจับได้จับในฐานะที่ผิดกฎหมายแต่ว่าพระไปอยู่กับผู้หญิงสมมุติว่าอยู่จริงเนี่ยมันก็จับไม่ได้คือตำรวจไม่ยังน่านหน้าที่อะไร แต่บางทีนี่ตำรวจนี่ชอบจับอย่างเงี้ยชอบจับคนที่ไม่มีทางสู้นี่ขยันนักผูกโจนพูกปลนอะไรต่ออะไรก็จับไม่ค่ยได้อกีก็น่าอินดูงกันเนี่ยว่างั้นยังนึกว่าเออพระอราหารันต์ทาปรากฏในสมัยนี้คงยุ่งเหมือนกันยุ่งเหมือนกันก็วางกัวยากเหมือนกันนะเขาจริงๆเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นพระอรหันต์หรือไม่เป็นพระอรหันต์ แต่ว่าจากตรงนี้ทำให้พระพุทธเจ้าหยุดการลงปาฏิโมกข์กับพระสงฆ์แล้วก็จากนั้นก็ทรงแสดงถึงความอัศจรรย์ของพระธรรมบินัยเทียบกับหมาสมุดนะเทียบกับหมาสมุดเป็นทั้งหมดก็รู้สึกจะแปดข้อด้วยกันนะแปดขอ้อการแสดงความอัศจรรย์ของพระธรรมบินัยข้อที่หนึ่งเนี่ยบอกว่า เป็นเป็นเรื่องอัศจรรย์ที่ไม่เคยมีเนี่ยแปดประการที่พวกอสูรเห็นแล้วพากันยินดีอยู่ในหมาสมุดแปดประการแปประการนั้นเป็ น, นไงนในนี้เป็นเรื่องที่น่าสังเกตว่าคําว่าอสูรเนี่ยอสูรก็เปแปลว่าไม่กล้านะไม่กล้าก็อยู่ในหมาสมุดอยู่ในหมาสมุด เรื่องนาสังเกตแล้วก็พวกนี้บางทีก็เรียกรากสดุดบางทีเรียกว่าผีเสื้อน้ํานะฮะผีสาผีผีเสื้อน้ําต่างๆเนี่ยอยู่ในไมาสมุดคือคือหนึ่งไมาสมุดเนี่ยลาดลุ่มลึกลงไปโดยลําดับไม่โกรกชันแล้วก็เหมือนเหวนี่ก็เป็นเรื่องที่อัศจรรย์ก็ทําให้ พวกอสูรเห็นแล้วก็พา ก, กันยินดีอยู่ในมาหาสมุทรประการที่สองนีมาหาสมุทรไม่เคยล้นฝั่งก็จะเต็มเูอย่างเนี้ยเราก็ดูทะเลเ่ทะเลล้นฝั่งเนี่ยเนี่ยนอกจากว่ามีคลื่นซัดขึ้นควืงเวลาพูดเรื่องพเรื่องตัญหาตัญหานี่พระพุทธเจ้าทรงอุปมาเป็น แม่น้ำไม่จะอุปมาด้วยสมุดนะอุปมาด้วยแม่น้ำแม่น้ำเสมอด้วยตันหาไม่มีเพราะว่าอะไรเพราะว่าแม่น้ำนี่เขาเต็มได้แต่มาสมุดเต็มไม่ได้ไม่ใช่แม่น้ำนี่เต็มไม่ได้ไม่ใช่ตันหานี่เต็มไม่ได้แต่มาสมุดนี่เขาไม่เต็มเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าอุปมาเวลาอุปมาเนี่ยคือเราจะจะเห็นภาพเลย อุปมาแต่ละข้อของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันแสดงถึงศาสตร์อีกศาสตร์หนึ่งนะบางทีทรงอธิบายเทียบเคียงถึงการขาจัดกิเลสเหมือนกับช่างทองก็จัดทองสรงอธิบายวิธีวิธีทําทองโดยละเอียดเลยวิธีไล่สนิมทองนี่ทำยังไงยังไงก็ส่งอธิบายเทียบเป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อมันก็ทำให้แม่สวบปันญูเ น, นี่ยมันน่าจะรู้หมดทุกเรื่องแต่ว่าไม่สอนทุกเรื่องแต่นะั่นเอง คือทรงสอนเฉพาะเรื่องทุกเรื่องสมุทยัยเรื่องนิโรดเรื่องมรรคไปอย่างที่บอกเนาะทั้งหมดมันก็เป็นอริยสัจเพราะว่าถ้าสอนเรื่องอื่นจะไกลตัวตทันทีเลยและจะไม่เป็นเหตุให้เกิดเบื่อนายคลายกำนัดเพื่อความหลุดพ้นเพื่อจางคลายไปของราคาโลโลภะโทสะมุหันผลกรรสอนพระเจ้าจึงอยู่ในแวดวงตรงนี้นะแม้แต่ความอาจซรย์ของมามัส มหมาสมุทรแปดข้อมาเทียบกับประธรรมอีในแล้วก็กลายเป็นเรื่องของอาเรยศรข้อต่อไปบอกว่าพวกไอซักศพต่างๆนี่ตกลงไปในมหมาสมุทรเนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้นานจะถูกสัดขึ้นฝั่งหมดอะไรก็ตามที่ตกในไปไปในทะเลเนี่ยมันอาจจะชา้าหรือเร็วนะฮะแต่จะถูกสั์ขึ้นฝั่งมหมาสมุทรจะไม่เก็บพวกเหล่านี้เอาไว้ แล้วข้อต่อไปก็บอกว่าแม่น้ําทั้งหลายก็ทรงยกตัวอย่างปัญจมาณฑีมาแต่หมายความแม่น้ําทั้งหลายในโลกอะ่ะก็ไหลลงสู่มหาสมุทรแม่น้ําปัจจมาณทีก็คือแม่น้ําคงคายมุนาอจิระวดีสรภูมหีนะฮะก็เขาเรียกว่าอะไรในเรื่องประเวทสันดอนเนี่ยเขาเรียกว่า ทูชกยกเอาแม่น้ำทั้งห้าขึ้นมาขึ้นมาพูดเนี่ยแม่น้ำเหล่านี้ก็ไหลเข้าไปลงชีหมาสมุทรพอไปถึงหมาสมุทรมันไม่มีคาว่าแม่น้ำจากแม่น้ำนั้นแม่น้ำนี้แม่น้ำโน้นมันเป็นแม่น้ำในหมาสมุทรแล้วก็มีรถเดียวแต่ว่ารถเนี่ยส่งสงพูดในตอนหลังส่งแสดงในตอนหลังเรียกว่าละชื่อและโคดเดิมหมด นับรวมว่ามหาสมุทรนั่นเองนี่ก็เป็นธรรมอัจนรย์ประการที่สี่ประการที่ห้าเนี่ยน้ำทุกสายในโลกไหลไปรวมลงในมหาสมุทรและสายฝนก็ตกลงมหาสมุทรมหาสมุทรไม่ปรากฏว่าพร่องหรือปรากฏว่าเต็มเราก็ไม่ ม, ไมีเห็นทะเลมันพร่องแล้วก็ไม่เห็นทะเลมันเต็ม นี้ก็แสดงถึงความอัศจรรย์อีกประการหนึ่งประการต่อไปมหาสมุทรทั้งหลายนอกจากทะเลสาบน้ำจืดนะแม่น้ำสารพัดแม่น้ำเนี่ยพอลงถึงมหาสมุทรแล้วมันก็กลายเป็นรสเค็มหมดนี่เป็นความอัศจรรย์ในประการที่หกความอัศจรรย์ประการที่เจ็ดเนี่ยท่านบอกว่าในมาทรงแสดงว่าในมหาสมุทรเนี่ย มีรัตนะเป็นมากมีแก้วมุกดาแก้วมณีแก้วไพลทูนสังศิลาแก้วประพานเงินทองทับทิมและแก้วมรกตคือสรุปไะเต็ม ไ, มไดยรัตนะมากมายพวกนี้ก็ปานก็อยู่ในกลุ่มของอัญมณีนะอัญมณีของเราเนี่ยรู้สึกว่าเรามีเก้าเลยอัญมณีมีประการหนึ่ง คือมาสมุดเป็นที่อยู่ของสัตว์ใหญ่ๆแปลว่าสัตว์ให ญ, ให ญ, ใหญ่พวกนี้บางทีมันก็อยู่ในในในในพสูตนะฮะอยู่ในประสูตปรปลาติมิปรามิงคละปราติมิหมิงคะระปลาแต่ละชื่อเนี่ยพวกอสูรพวกนาคพวกคนทันพวกนี้มีร่างกายยาว นับก็เป็นโยดโดดนะครับทีนี้ปัญหาว่าพวกนี้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสัตว์ประเภทไหนเกิดในคันเกิดในไข่หรือว่าโอปปปาติกะแล้วก็ไม่อธิบายไว้นะแต่ว่าอพูดถึงขนาดแล้วก็ใหญ่มากเรานึกดูที่ท่านบอกว่าพวกพวกนี้อายุความความยาวเนี่ย บางทีถึงห้ารยยอดและรับสั่งว่ามีอยู่ก็มีอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อข้อแม้ข้อที่มหาสมุทรเป็นที่พำนักของสิ่งมีชีวิตใหญ่ๆตัวนี้ก็กลายเป็นเรื่องที่อศัศจรรทีนี้แต่ละข้อเนี่ยคือธรรมเทศนาแนวนี้เป็นแนวข้หรืออุปมาจะมีตัวอย่างเข้ามาเทียบเคียง เช่นว่าบุคคลสี่จำพวกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในโลกนี้พระเจ้าก็เอามาสะท้อนธรรมะบางทีดอกไม้สี่ชนิดหรือผลไม้สี่ชนิดอะไรอะไนี่เอามาเทียบเทียบเคียงให้ดูเป็นการเสนอทางเลือกให้คนมองกลับมาที่ตัวก็ดูตัวเองว่าอยู่ในประเภทไหนรักสั่งว่า พิสูจทั้งหลายในธรรมนในนี้ก็มีธรรมะอาสจรนร์ไม่เคยมีแปดประการที่พิสูจนทั้งหลายเห็นแล้วประการยินดีอยู่ในพระธรรมีในประการแรกในธรรมีในมีการศึกษาไปตามลาดับมีการกระทําไปตามลาดับมีการปฏิบัติไปตามลาดับที่เราเรียกว่าสิกขาบทเน่ท่านสาชนทั้งหลายลองสังเกตนะว่าสิกขาบทเนี่ยมันมันลักษณะเหมือนบันได มันเปนใดที่ไต่ขึ้นหรือไต่ลงก็แล้วแต่เราจะถือว่าลงก็ได้ขึ้นก็ได้นะฮะแต่ว่ามันจะไปตามลําดับคือลึกลงไปตามลําดับคือถ้าดูสภาพจิตแล้วเนี่ยจะลึกลงไปโดยลําดับหรือว่าสูงขึ้นคือ ย, ยกเหนืออำนาจกิเลสขึ้นไปโดยลําดับอ่าฉันยกตัวอย่างว่าศีลข้อปาณฏาิบาตเนี่ยครั้งแรกก็คือไม่ฆ่าเองไม่ใช่คนอื่นฆ่า แล้วก็ไม่เบียดเบียนนะไม่ทรมานไม่ทรุรรมอันนี้ที่จริงไม่ถึงกับฆ่าไม่เบียดเบียนไม่ทรมานไม่ทรุรรมไม่จนสัตว์ไม่รังแกสัตว์เกิดอาการระ ม, มัดระวังเวลาเกี่ยวกับชีวิตของคนอื่นสักคนอาจก็ ะ, กะทกระทั่งต่อสิทธิเสรีภาพสวัสดิภาพของเขามีความประหนี่ขึ้นไปเรื่อยนะฮะ แล้วก็ไม่ยกย่องสรรเสริญคนที่ฆ่าฆาศักที่จริงการยกย่องเราก็ไม่เป็นบาปอะไรนะในโดยทั่วๆไปเนี่ยแต่ว่าจิตมันคิดประทุษร้ายมันมีวิหิงสาคือความคิดเบียดเบียนอยู่แล้วก็ไม่พอใจไม่ยินดีในการฆ่าในผู้ฆ่าในผู้ถูกฆ่า หมายความมาผู้ค่าเองเราก็ไม่ไปซ้ำเติมอะไรเขาผู้ถูกค่าเองเราก็ไม่ไปยินดียินร้ายอะไรทําทใจเป็นกรุณาก็กรุณาไปนะถ้าทําไม่ได้ก็อุเบกขาไวคือไม่เอาเป็นเหตุที่เราจะต้องกระทบาบาปเราะสิน้คบบทเนี่ย จริงๆแล้วมันอยู่มันอยู่ที่ที่สี่ข้ออย่างที่บอกนะเอาจริงๆคือหข้อเอาสินห้าเนี่ยมันแตกกิ่งไปจากสีนห้าแต่พอถึงจุดหนึ่งมันเป็นระบบพัฒนาพัฒนาตัวตนเนี่ยตัวเนี่ยตัวชีวิตเนี่ยตัวปานาเนี่ยพัฒนาชีวิตตัวเองให้ประนีตขึ้นก็เรียกว่าเป็นผู้ ด, ดีขึ้นไปเรื่อย แล้วก็ทรัพย์สินก็พัฒนาขึ้นไปจนถึงไปส่งเคราะห์นุเคราะห์ชื่อเหลือก็กุ่คนอื่นเป็นพวกทานไปแต่พวกคู่ครองเนี่ยไม่ใช่พวกคู่ครองมาเป็นจางการจางคลายของกิเลสของราคะจนในที่สุดมันก็อยู่กันอย่างเพื่อนก็เป็นเป็นเพื่อนกันเนี่ยที่ทรงแสดงสามีพัญญาเอาไว้ว่าเหมือนกับ พ่อกับแม่เหมือนกับพี่กับน้องเหมือนกับเพื่อนอเหมือนกับธาตุธาสีอะไรอะไรเนี่ยคือไม่ได้นินไปที่เรื่องราคะไม่เนินไปเรื่องเพศอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันอย่างเพื่อนอย่างฉันเพื่อนมันก็แสดงว่าจิตมันมีเมตตาแล้วมันไม่ได้มีราคะา้วกรนีก็เป็นหลักการปฏิบัติที่ประนีตขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งเนี่ย เราจะเห็นว่าพวกทั้งหมดทั้งทั้งห้าคอเนี่ยมันเป็นอารมณ์ของธรรมเป็นอารมณ์ของกรรมฐานเป็นนามรูปเป็นเครื่องมือในการเจริญกรรมฐานทั้งสมถะและวิปัสสนาแล้วเรารูให้ดีก็ไม่มีอะไรนะมันมีพวกเที่เป็นชีวิตเราอาจจะพูดถึงขันห้าเราอาจจะพูดถึงอรยตนสิบสองเป็นธาตุสิบแปดเป็นนิตยยี่สิบสองก็แล้วแต่จะนับ แต่จริงมันก็อยู่ในแวดวงขันหันของของศีลห้าดังกล่าวนั่นเองท่านฟังท่านหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังท่าหลายโดยทั่วกันสวัสดี